กงเนี่ยนะมีอยู่สี่กองก็คือไ อ, ลอ้ล้อรอบอ่ะนะตัวกองก็คือที่ประติ ก, กรรมอ่ะ ท, ที่ที่กระทบกับพื้นนะอ่ะเรียกว่ากงกงอันนั้นเป็นชื่อของอริยสัจสี่ประการอริยสัจสี่ประการเขาเลยเรียกว่าธรรมจักรเรียกว่าธรรมจักรมีดุมคือโป ท, ทิตติยธรททรมมีซี่กรรมคือปฏิจจัสมุบบาทมีกองคืออริยสัจสี่การที่พระองค์ทรงประกาศ หรือว่าพระองค์ทรงหมุนจักอันนี้ให้เป็นไปเรียกว่าธรรมจักรธรรมจักรเพราะฉะนั้นข้อความในธรรมจักรก็คือคําสอนที่ว่าด้วยการเห็นโทษของกามมาสุขเห็นโทษของการมมาสุขและเห็นโทษของการปฏิบัติตนนะโดยความลําบากเพื่อทําให้ลําบากซึ่งไม่ใช่หนทางแต่หนทางนั้นก็คือธรรมจักรใช่ไหมธรรมจักรหนทางก็คือมัชฌิมาปฏิปทา ข้อปฏิบัติที่ทําให้เกิดจากษุปัญญาวิชาแสงสว่างสา ม, มารถที่จะทําให้ตรัสรู้อริยสัจสี่ประการแทงตลอดปฏิจจสมุปบาทนั่นแหละเรียกว่าธรรมจักนะอันนั้นพระผู้มีพระภาคทรงพระนามว่าทีปังกรนี้พระองค์ก็ทรงประกาศธรรมจักเหล่านี้ให้เป็นไปในช่วงที่พระองค์เสด็จไปที่ไหนพระองค์ก็แสดงทำอย่างนี้ไปเรื่อยเสด็จจาริกมาถึงนครของพวกเราแล้ว ชาวชาวบ้านน่ยนะเขาก็เล่าให้ให้ฤาษีฟังแล้วพระองค์นี้เสด็จทำนักอยู่ที่สุทัศนนะมหาวิหารพวกเรานิมนพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นมาจึงตกแต่งหนทางนี้ที่จะเป็นที่เสด็จมาของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นสุเมศดาบทก็เลยคิดว่าแม้เพียงคําประกาศว่าพระพุทธเจ้าก็หาได้ยากในโลก พระพุทธเจ้าตรงนี้ก็คือมาจากบาลีว่าพุทโธว่างั้นเถอะแม้แต่คําว่าพุทโธเนี่ยเป็นคําที่หาได้ยินได้ฟังยากเหลือเกินจะป่วยกล่าวไปใหญ่ถึงการอุบัติเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าบอกว่าคําว่าพุทโธเนี่หาได้ยินยากนะไปบางประเทศเนี่ยเคยได้ยินหรือเปล่าคําว่าพุทโธเนาะผู้ ก, การไปอเมริกาเนี่ได้ยินบ่อยไหมคำว่าพุทโธเนี่ย ไม่บ่อยนะหาได้ยินได้ฟังยากนะเมืองไทยนี่ก็ถ้าหากว่าไปเกิดผิดที่ก็เช่นไปเกิดในเผาวังเผานี่ก็ไม่ได้ฟังเหมืนอนกันนะไปเกิดที่ต่างประเทศเนี่ยคํานี้พูดไม่ได้นะเขาไม่ชอบเลยนะรังเกียดอย่างเงี้ยเพฉะนั้นคําว่าพุทโธ ย, ยังหาได้ยินได้ฟังยากจะกล่าวไปใหญ่ถึงการอุบัติการเกิดขึ้นการตรัสรู้ของพระ อ, องค์เล่าเหมงอนกันพุทโธ ป, ปาโธทุลโภการอุบัติตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นของยากมนุษย์สัตตา ธุรภานะการอุบัติการเกิดขึ้นของความเป็นมนุษย์ของเราทั้งหลายก็เป็นของยากที่เราทั้งหลายจะได้มีศรัท ธ, ธาก็เป็นของยากที่จะได้พระสัตยธรรมนี่ก็ยากอย่างยิ่งอย่างนั้นเถอะสิ่งเหล่านี้ก็เป็นของยากๆทั้งนั้นแหละเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าที่จะอุบัติตรัสรู้ขึ้นมาเนี่ยเป็นของยากอรูอสีก็เลยมีความคิดว่าแม้เราก็ควรจะร่วมกับมนุษย์เหล่านี้ตกแต่งหนทางเพื่อพระทศพลด้วย เขาจะทำบุญกันแม่เราน่าจะทำบุญบ้างนะท่านก็เลยกล่าวกับพวกมนุษย์เหล่านั้นว่าท่านผู้เจริญถ้าพวกท่านตกแต่งทางนี้เพื่อพระพุทธเจ้าขอจงให้โอกาสส่วนหนึ่งแก่เราบ้างแม้เราก็จะตกแต่งหนทางนี้เพื่อพระทศพลพร้อมกับพวกท่านโอ้อยากจะทำบุญร่วมบ้างอนะะบุญนี้จำกัดหรือเปล่าขอร่วมได้ไหมอย่างเงี้ยนะ พวกชาวบ้านพวกเขาก็รับปากว่าดีละสาธุต่างก็รู้ว่าสุเมตดาบที่มีฤทธิ์จึงกําหนดที่ว่างซึ่งมีน้ำเซาะให้ก็คือเออฤศีคนนี้มีฤทธิม์มั้งแสดงว่ามีที่ที่ที่มันทํายากหน่อยยกให้ฤศีทําเลยดีกว่าก็เลยบอกว่าท่านจงตกแต่งที่นี้เถิดแล้วก็มอบให้ไปสุเมตดาบทเนี่ยยึดเอาปีติมีพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์ คิดถึงผู้โทรด้วยความปราบปลื้มใจปีติโสมนัสนะพฤศรีคนนี้เขามีความเข้าใจในเรื่องผู้ทธเจ้าพอสมควรเพราะเขาทรงคัมภีมหาบุริศลักษณะเขารู้เลยว่าพระผู้ท้เจ้าคนนี้จะต้องเป็นยังไงยังไงยังไงยังไงเนี่ยโดยวิชาที่เขาเรียนมาเนี่ยเขารู้อยู่แล้วถึงไม่เคยเห็นแต่เขาพอรู้รอยู่แล้วก็เลยคิดว่าเราสามารถจะตกแต่งทางเนี่ยที่ว่างนี้ด้วยฤทธิ์ได้แต่เมื่อเราตกแต่งเช่นนี้ ใจก็จะไม่ยินดีนะักหมมันง่ายไปเหมือนกระเป๋าพวดเดียวเสร็จเลยนะมันง่ายไปไม่ได้ออกแรงเลยเพราะฉะนั้นวันนี้เราควรจะกระทำการรับใช้ด้วยกายดังนี้แล้วก็ขนดินลงมาเทลงในที่ว่างนะนั่นแหละนัแต่ขอจอบเข้ามาคุดแล้วก็เอาเอนังเสือเนี่ยมารองแล้วก็ขนมาเทคนมาเทนะข้ า, ขาเอาปุ่งยีมากระเทใสเทใสตมตั้ม ต, ต, ตไป เมื่อที่ว่างแห่งนั้นยังตกแต่งไม่เสร็จเลยพระทศพลทีปังกรมีพระขีนาศพผู้ได้อภิน ญ, ญาหกมีอนุภาพมากสี่แสนรูปห้อมล้อมพระพุทธเจ้าเนี่ยนะโหผู้มีพระคุณมากมายมหาศาลมีรัสมีนี่ออกแล้วมีภิกษุที่มีอภิญญาหกเนี่ยนะทุกองเนี่ยติดตามเนี่ยมีฤทธิ์หมดเลยก็ถ้าท่านเหาะได้ก็เหมือนกับกองบินพร้อมที่จะเหาะไปพร้อมกันได้หมดนะหายจากตรงนั้นแวบหมดทาได้หมดเลย พราะพระทั้งสี่แสนรูปเนี่ยนะมีอนุภาพมากห้อมล้อมติดตามเมื่อเหล่าเทวดาบูชาอยู่ด้วยของหอมและดอกไม้ทิพย์เมื่อสังคีตะบรรเลงอยู่เครื่องดนตรีนี่ก็บรรเลงเสียงกระหมเลยตรงนั้นนะเมื่อเหล่ามนุษย์บูชาอยู่ด้วยของหอมและดอกไม้เสด็จเยี่ยงกลายบนพื้นมโนศิลาด้วยพุทธลีลา อันหาที่สุดมิได้ประดุดราชสีเสด็จดำเนินมาสู่ทางที่ตกแต่งประดับประดาแล้วนั้นพระพุทธเจ้านี้เสด็จมาเลยพร้อมกับเหล่ามูภิกษุสงสุมเมตดาบทลืมตาทั้งสองขึ้นมองดูพระวรกายของพระทศพลผู้เสด็จดำเนินมาตามทางที่ตกแต่งแล้วซึ่งถึงความเลิศ ด, ด้วยพระรูปโชมประดับด้วยมหาุริศลักษณะ3าประการ มหาปริศลักษณะสาสบสองประการถ้าผู้ใดอยากได้รายละเอียดก็สามารถดูได้ในพรห ม, มายุสูตรในลักษณะสูตรในในพรห ม, มายุสูตรในลักขณะสูตรเนี่ยนะจะ ก, กล่าวถึงลักษณะของพระผู้มีพระภาคทั้งสามสิบสองอย่างแล้วก็สวยงามด้วยอนุพยัญชนะส่วนประกอบแ80ดสิบประการเวดวงด้วยแสงสว่างมีประมาณวันหนึง่งเปล่งพระพุทธรัศมีหนาทึบมีสีหประการ ออกมาดูประหนึ่งสายฟ้าหลายหลักในพื้นท้องฟ้าเนี่ยมีสีดุดแก้วมณีใช้แสงแปลัๆอยู่ไปมาและเป็นคู่ๆกันสุเมตดาบที่มองเห็นหูคนนี้ทำไมรูปร่างหน้าตาร่างกายเนี่ยมหาปุริสหลักสาสบสองอย่างแล้วก็ยังมีรัสมีมีอะไรออกมาอีกมีพิกษุสงให้ค้อมล้อมเนี่ยเขาก็เลยคิดว่า วันนี้เราควรจะกระทําการบริจาคชีวิตแด่ พ, พระทศพถถเออเนี่ยมีคิดไหม เ, ออเห็นแล้วอยากเอาชีวิตบูชาเลยนะอย่าว่าดอกไม้ของหอมเลยคนอื่นเอาดอกไม้เข้าของเครื่องใช้แต่ตัวนี้จะเอาชีวิตอบูชาท่าน เ, เพราะฉะนั้นขอพระผู้มีพระภาคเจ้าอย่าได้ทรงเหยียบเปือกตมแต่จงทรงย่ําหลังของเรา เสด็จพร้อมกับพระขีนาศบสี่แสนเหมือนทรงเหยียบสะพานแก้วมณีเถิดข้อนั้นจักเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่เราตลอดกาลนะเห็นพระพุทธเจ้าเนี่ยเสด็จมาทางที่ทํำก็ยังไม่เสร็จพระพุทธเจ้าเสด็จม า, ท, าทํายังไเเเงไเอาชีวิตบริจาคทําสะพานดีกว่าขอเป็นเหมือนสะพานขอเป็นเหมือนเรือข้ามฟากางั้นเะนี่ยนะป่าถนบเป็นสะพานจะขอเอาตัวเนี่ยนอนทอดในที่ที่มันมีโคลนมีตมเนี่ย ให้พระพุทธเจ้าเนี่ยสเสด็จดําเนินเหยียบที่สุสง่งก็เดินเหยียบนะว่าจะเอาหลังหลังนี่แหละเป็นสะพานให้โอ้แค่คิดยังไม่กล้าเลยนะแต่กล่าวไปยหญถึงการกระทําเล่าอางนั้นแต่ก็ยังว่าคนพิเศษพิเศษเท่านั้นแหละเขาทํากันอย่างนี้แล้วก็แก้ผมออกอย่าลืมนะรูสีเนี่ยผมหยางก็แก้ผมออกลาดหนังเสือชดาและภาพเปลือกไม้ วางลงบนเปลือกตมซึ่งมีสีดำนอนบนหลังเปลือกตมเหมือนสะพานแผ่นแก้วมณีทอดหลังให้เยียบเลยเมื น, น, นเพราะเหตุนั้นท่านเจงกล่าวว่าอันนี้ก็สรุปเป็นคาถาถ้าที่ที่เป็นดำๆนี่เขาเอาไว้ให้ท่องนะนะเป็นคาถาเอาไว้ให้ท่องเป็นเป็นกรอนของคนแขกเขาอ่ะนะเขาท่องและเขาฟังซึ่งของเราเรีย ก, ต ก, ก็ตะกุกตะกักเท่าเดิมนะ เพราะฉะนั้นพวกมนุษย์เหล่านั้นถูกเราถามแล้วยืนยันว่าพระพุทธเจ้าผู้ยอดเยี่ยมเป็นพระชินะเป็นพระโลกกนายกพระนามว่าทีปังกรพระชินะนี่ก็คือระชินะแปลว่าพระพุทธเจ้าผู้มีชัยชนะชนะอะไรชนะมารทั้งห้าประการหนึ่งหนึ่งมารเลยขันธมารเทวปุตตมาร น, นะมัจจุมารกิเลสมารอภิสังขารมาร พระพุทธเจ้านี่ทรงชนะมารทั้งห้าเป็นนายกเป็นผู้นําโลกนําไปไหนนําไปไหนพระพุทธเจ้าทรงนําสัตว์ทั้งหลายข้ามจากโลกิยะเข้าถึงโลกุตระเหมือนกันเนีะพระพุทธเจ้าพระองค์นี้ทรงพระนามว่าทีปังกรเนี่ยเสด็จอุบัติขึ้นแล้วในโลกเหมือนที่เราสวดเมื่อกี้ใช่ไหมอิะะทัตทาคาโตโลเกอปปุปันโนเหมงอนกันพระพุทธเจ้าทรงอุบัติเกิดขึ้นแล้วในโลกนี้พวกเขาแผ่ทางถนนหนทางเพื่อ พระองค์ปีติเกิดขึ้นแก่เราทันใดเพราะได้ฟังคําว่าพูดโทใครไปนั่งท่องพูดโทรพูดโทรกันนึกถึงพระพุทธคุณเหล่านี้ไปด้วยนาะพูดโทรพูดโทน่าจะมีความสุขเนาะต่อไปเนี่ยยอมไปท่องเลยนะพูดโทแล้วก็นึกถึงพระคุณเหล่านี้นะพระอนุโมทนาบุญไว้ก่อนเลยนะเราเมื่อกล่าวอยู่ว่าพูดโทพูดโทรไปได้เสวยสมณัดแล้วนะโอ้ยแค่พูดเฉยเฉนี่ก็ปีติลุกคุณพิจนูโนว่าง่ายนะ ก็บอกว่าตื่นขึ้นกลางดึกๆก็ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหรันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นเขว่างั้นตื่นมาดึกๆยังนึกนอบน้อมเลยโอ้สาธุแสดงว่าจิตใจนี้ใกล้ๆแล้วนะสาธุมันยากนะเพราะเราคิดแต่เรื่องอื่นใช่ไหมเรื่องการเรื่องงานเรื่องบทเรื่องภรรยาเรื่องครอบครัวจะน้นหนทางจิตการงานบ้านเมืองข่าวหนังสือพิมพ์ขี้ไปเรื่อยที่จะคิดนอบน้อมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจริงๆเนี่ยหายากเพราะฉะนั้นเนี่ยจิตที่คิดนอบน้อมเนี่ยนะ อัปมานโนพุโทโธวังนั้นคุณของพระพุทธเจ้าไม่มีประมาณดังนั้นถ้าจิตใจของผู้ใดที่เคารพนอบน้อมสักการะเทิดทูนบูชาเนี่ยนะบุญที่ไม่มีประมาณก็จะเกิดขึ้นแก่เขาเพราะว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยก้าวล่วงบาปล่วงอกุศลก้าวพ้นจากกองทุกได้ทั้งหมดเพราะฉะนั้นพระองค์นี่มีคุณมากมายมหาศาลนะอย่าไปนับว่าจิตใจของคนที่นอบน้อมต่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยบุญเนี่ยมีกี่เม็ดอย่างเงี้ยอย่าไปนับอย่างฮั่น ที่แท้แล้วนับเป็นห่วงบุญห่วงกุศลเหมือนกันมากมายมหาศาลเพราะฉะนั้นไอ้คำว่าโสมนัสโสมนัสนเกิดขึ้นปลาบเลิมดีใจเนื้อถึงพระพุทธคุณเนี่ยนะเป็นของที่หายยากมันก็เลยได้เกิดโสมนัสเรายืนอยู่ณนะที่นั้นยินดีมีใจเกิดความสังเวชก็เกิดความสังเวชใจสลดใจนั่นเองการสังเวช ท, ทีนี้ก็คือสลดในฐานะที่ควรสลดจึงคิดว่าเราจักปลูกพืชไว้ในที่นั้น พืชในที่นี้ก็คือเป็นชื่อของบุญน่นะควรที่เราจะทำบุญตรงนี้บ้างขณะอย่าได้ล่วงเลยเราไปเสียเปล่าไม่ปรารถนาที่จะให้ขณะเหล่านี้ผ่านไปใช่ไหมขณะไหนมัน่งขณะที่หนึ่งอวัยวะสรีระของเราทั้งหมดไม่ที่กงพิการมีตามีหูมีจมูกมีแขนมีขามีหัวมีเป็นคนสมประกอบว่างั้นเถอะขณะอย่างนี้หาได้ยากนะ อสองพระพุทธเจ้าก็ทรงอุบัติตรัสรู้ขึ้นมาในโลกแล้วขณะเหล่านี้เนี่ยอย่าให้ล่วงเลยไปเพราะคนที่ปล่อยให้ขณะเหล่านี้ล่วงเลยไปก็จะยัดเยียดอยู่ในนรกเป็นอันมากแล้วก็ไม่ปรารถนาที่จะให้ขณะเหล่านี้ผ่านไปเพราะฉะนั้นพวกท่านถ้าหากว่าพวกท่านจะแผวทางหนทางเพื่อพระพุทธเจ้าก็จงให้ที่ว่างแห่งหนึ่งแก่เราแม้เราก็จะแผ่ทางทางถนนหนทาง ทีนั้นพวกเขาก็ได้ให้ที่ว่างแกเราเพื่อจะแพรวทางหนทางอันนี้สำนวนแบบนี้เาเรียกว่าพระองค์ทรงเล่าให้พระสารีบุตรฟังเวลานั้นเรากำลังคิดอยู่ว่าผู้โทผู้โ ท, พโทแพ้วทางทางเมื่อที่ว่างของเราทำไม่เสร็จเขาบอกว่างานที่เขามอบหมายภาระให้ก็ทาไม่เสร็จนะ น, นะพระมหามุนีทีปังกรผู้เป็นพระชินเจ้าพร้อมกับพระขีนาศพสี่แสน ผู้ได้อภินญาหกผู้คงที่ปราศจากมวลทินผู้คงที่ก็คือตาทินโนผู้คงที่คำว่าคงที่คือคงที่ยังไงคงที่ในอิทธารมและอนิถารมได้อารมณ์ที่ไม่ดีก็ไม่เสียใจได้อารมณ์ที่ดีใจก็ไม่ฟูขึ้นจิตใจของท่านมั่นคงทุกทุกอารมณ์เหนันศิลาหินแท่งทึบยาวสิบหกอก เสาหินน่ะนะเสาหินเนี่ยานน ย, ยาวสิบหกซอกนี่นะปักลงไปในดินแปดซอกโผล่ขึ้นมาจากพื้นดินแปดซอกเอาไปขายาับดูเถอะสะเทือนไหมก็บอกว่าไม่สะเทือนชันใดจิตใจของพระอาหารทั้งหลายก็จะเป็นลักษณะนั้นเขาเรียกว่าผู้คงที่ทั้งในอิทธารมณ์และอนิธารมณ์หรือว่าตัวข้างหนึ่งเนี่ยนะข้างหนึ่งเนี่ยเปื้อนด้วยอุจจาระข้างหนึ่งเนี่ยนะเอาดอกไม้มารูบไหลใจท่านก็เหมือนเดิมมั่นคงไม่ต่างกัน จิตใจเหมือนเดิมหมดเลยเขาเรียกว่าตาที่โนผู้คงที่ปราศจากมนทินมนทินนี้เป็นเครื่องเศร้าหมองของสัตว์ทั้งหลายคาว่ามนทินนี้ก็คือความเศร้าหมองสิ่งที่มันทําให้ใจเศร้าหมองมนทินคือราคะมนทินคือโทสะมนทินคือโมหะมนทินเหล่านี้ไม่มีในจิตในใจของท่านเลยฟงกันเถอะเสด็จดำเนินมาขนทางนั้น โอ้โหผู้มีคุณมากมายน ะ, สะเสด็จมาเนี่ยนะเราจะเห็นว่าตรงนี้ท่านอธิบายอะไรนะอธิบายว่าอัญชลีกรณนิโยนะสังฆคุณอ่ะนะอัญชลีกรณนิโยนะอาหุเนยโยปาหุเนยโยทักขินยโยอัญชลีกรณนิโยอนุตรังตุนยัคเขตังโลกัสาติเนี่ยนะก็คือพารนาถึงว่าคุณสมบัติเหล่าเนี้ผู้มีคุณขนาดนี้นะท่านมาว่าไงาทีนี้การต้อนรับต่างๆก็มีขึ้น กลองมากมายก็บรนเลงขึ้นเหล่าคนและเทวดาล้วนร่าเริงต่างทำเสียงสาทุกการลั่นไปทั่วโอ้ปราบปลื้มใจเนาะเหล่าเทวดาเห็นพวกมนุษย์และเหล่ามนุษย์ก็เห็นเทวดาใครอยากเห็นเทวดาก็ไปช่วงนั้นจะได้เห็นพอดีเลยแม้ทั้งสองพวกต่างก็ประคองอัญเชลีเดินตามพระตถาคตไปนะคนที่มีข้าวของก็เอาเข้าวของบูชาคนที่ไม่มีอย่างอื่นนี่ก็ เอานิ้วเนี่ยนะสิบประการยกมือบูชาเดินติดตามพระผู้มีพระภาคเป้าออไปเหล่าเทวดาที่เหาะมาทางอากาศก็โปรยปลายดอกมณฑารพไม่เคยเห็นเลยเป็นยังไงไม่รู้ดอกมณฑารพบนะก็บอกดอกนี้อยู่ที่สวรรค์จะถามแล้วกันตอบไม่ได้หรอกไม่เคยเห็นเหมือนกันนี่ก็ดอกบัวหลวงอ่า น, นี่ยดอกบัวหลวงนี่เข้าใจนาะดอกบัวหลวงนี่เข้าใจอะดอกปริฉัตดดอกปริฉัตดปริชัตดนี่ต้นท้องหลังอันเดียวกันหรือวา ต้นปริชัตด น, น, นะนะท้องหลังดอกท้องหลังอ่ะนะต้องงามดีมันกันนะเทวดานี่ก็แสดงว่าดอกนี้ดีมากถึงก็เอามาบูชาพระพุทธเจ้าใช่ไหมทีนี้ดอกปริฉัตดอันเป็นทิศไปทั่วทุกทิศเหาคนที่อยู่บนพื้นดินต่างก็ชูดอกจำปาดอกจำปาก็คือดอกลั่นทมนั่นแหละทางอีสานเนี่ยดอกจำปานี่นะก็คือดอกลั่นทมดอกลั่นทมนี้มีอีกชื่อหนึ่งเรียกว่าดอกจำปา อ่านี่นี่ทางทางโน้นนะเขาเรียกกันงั้นเลยทางภาคกลางก็เหมือนกันเขาก็เรียกว่าดอกลั่นทมกับดอกจำปานี่ก็คืออันเดียวกันนั่นเองต่างท้องต่างถิ่นต่างที่เรียกต่างกันแต่บ้านเรามาเชียงใหม่คนละดอกอย่างเงี้ยดอกจำปาคล้ายๆจำปีใช่ไหมจำปากับจำปีก็คล้ายๆกันแสดงว่าหลายจำปามา ก, ก น, นะเออนี่อย่าไปที่ไหนอย่าไปยืนยันของเราเด้อบางทีของเขาก็ชื่อเดียวกันเน่ยนึกคนลหน้าอะไรก็มี แต่ว่าเรื่องซื่อเรื่องศัพท์เรื่องแสงเนี่ยนะอย่าไปเถียงกันเลยบางทีเขาอาจจะนึกคงเข้าไปนะเขาว่างั้นก็เออท้องถิ่นเขาเรียกแบบนั้นไปแต่เชิดก็จะพ้องกันก็มีหรือดอกว่าดอกสาระะเป็นยังไงดอกสาระะนึกไม่ออกดอกกระทุ่มดอกกระทุ่มเนี่ยมันสงสัยมันดอกกลมๆอ่ะนะเขาบอกว่าดอกกระทุ่มเนี่ยวางบนศีรษะคนล้านไม่อยู่ว่างั้นเนี่ะมันกลมๆว่างั้นแต่ว่าเขาส้ำนวลเขาอ่ะนะ น้ำไม่ติดในใบบัวดอกกระทุ่มไม่ติดในศรีษะคนละนะมีสัมนวนอยู่สนนัมสนวนหนึ่งในพยาบิโดกนี่มีบ่อยดอกกากระทิงดอกกากระทิงนี่ก็นึกดอกไม่ออกดอกบุญนาคดอกการะเกตไปทั่วทุกทิศคือกลิ่นทิพย์เนี่ยหอมตลบอบอวนดอกไม้เนี่ยโปรยปลายไปหมดเลยนะงานเทดอกไม้ขนาดนี้เนี่ยเดี๋ยวของเราวันที่เท่าไหร่นั่นที่ห้าใช่ไหม วันที่ห้าก็ดูภาพแล้วก็นึกถึงโอ้สมัยก่อนเขาจัดดอกไม้เพื่อบูชาพระพุทธเจ้าเขาจัดดอกไม้บูชาเรียงรายเชียงใหม่ของเราเนี่จัดบูชาใครบูชานักท่องเที่ยว น, นะอ ะ, อะบูชาสตังค์กันแล้วกันคนละอย่างกันเนาะคนที่มีศรัทธาก็ก็คิดเพื่อที่จะทําบุญไปคนที่ไม่มีศรัทธาก็คิดไปอีกอย่างหนึงกันเนาะแต่ก็กิริยาเหมือนกันอ กิริยาเหมือนกันนะก็เอาดอกไม้มาวางัวางๆเหมือนกันนั่นแหละแต่อีกคนหนึ่งทําด้วยใจที่เป็นศรัทธาอีกคนหนึ่งทําด้วยใจที่เป็นโลภผลก็แตกต่างกันเป็นธรรมดาแต่ถ้าหากว่าสิ่งที่บูชาไปบูชาในสิ่งที่ควรบูชาเอตัมมังคามุตตมังเป็นอุดมมงคลอันประเสริฐสูงสุดเป็นเหตุให้ได้สวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติเป็นต้น น, นะนะถ้าหากว่าใครที่ได้เคยฟังนายสุมาณมาลาการเนี่ยนะเอาดอกไม้ไปบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้า องทานายว่าอนาคตเขาจะได้บรรลุธรรมะตรัสรู้ธรรมะว่า ง, งั้นเลยทีนี้ฤๅษีเนี่ยก็บอกว่าเราแก้ผมออกเลยคลี่ผมเลยนะผมยาวฤๅษีนะเปลื่องผ้าเปลือกไม้และหนังเสือในที่นั้นลาดลงบนเปลือกตมนอนคว่าหน้าให้เหยียบลังกานะพระพุทธเจ้าพร้อมด้วยสิทธิจงเหยียบเราเสด็จไปอย่าได้เหยียบบนเปลือกตมเลย ข้อนั้นจักเป็นไปเพื่อประโยชน์แก่เราขอยอมอุทิศตัวให้เป็นสะพานให้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าสงเย็ยบอย่าว่าพระโพธิสัตว์ที่ตั้งความปารธนาเลยพระในเชียงใหม่อยู่รูปหนึ่งมีอยู่ครั้งหนึ่งมาเห็นในหนังสือพิมพ์พระชาวเชียงใหม่มีพวกกะเหลี่ย ง, นงเนี่นะมานอนเรียบเลยนะให้พระองค์นี่เดินเหยียบไปในเชียงใหม่เรานี่มีปีที่แล้วสองปีที่แล้วเนี่ยที่ที่ออกภาพมามี อันนั้นแล้วก็ถ้าเป็นแถวบ้านอาตมานะถ้าถ้าช่วงไหนเขาเขามีจัดงานปรบเพณีงานแสดงธรรมอ่ะนะพระจะขึ้นธรรมมาศเนี่ยจะมีคนเนี่ยไปไปก้มเป็นบันไดาสามชั้นให้ให้ขึ้นเหยียบนะขึ้นเหยียบขึ้นเทพเนี่ยนะโอ้ขนาดธรรมดายังมีคนให้เหยียบขึ้นเลยอันนี้พระพุทธเจ้ามันจะขนาดไหนเถอเนาะเขาสามารถยอมตัวบูชาได้นะสมัยนี้เขายังมีคนท่อตัวให้เหยียบขึ้นเลย สุเมดาบทนั้นนอนบนหลังเปลือกตมนั่นแหละเลืมตาทั้งสองเห็นพระพุทธสิริของพระทศพลทีปังกรก็เลยคิดว่าเขามีความคิดนะมองเห็นปุ๊บนึกเลยว่าถ้าเราต้องการก็พึงเผากิเลสทั้งปวงหมดแล้วเป็นพระสังฆนว ก, กะเข้าไปสู่รำมะกะนครได้ถ้าเราต้องการจะหมดกิเลสนะแป๊บเดียวเนี่ยนะ ฟังคาถามไม่ต้องถึงสองบรรทัดเลยจะบรรลุเป็นพาธฐานทันทีเลยเป็นพระาธฐานที่ติดตามไปอย่างดีเลยเนี่ยนะไปอยู่ท้ายที่สุดของสี่แสนนั่นแหะเพราะท่านเป็นประเภทถ้าบรรลุธรรมก็ประเภทอุคคติตันยูคือพระพุทธสัตว์นี่มีอยู่สาประเภทใช่ไหมประเภทอุคติตันยูวิปัญจิตันยูและในยะบุคคลพระโพธิสัตว์ประเภทอุคติตันยูก็คือสามารถฟังธรรมะแต่หัวข้ออย่างเดียวก็บรรลุทันทีเลยอย่างนี้เรียกว่าอุคติตันยู แต่ถ้าหากว่าพวกฟังหัวข้ออย่างเดียวไม่ได้บรรลุต้องชี้แจงต้องจําแนกพิสดารขึ้นอย่างนี้เรียกว่าวิปัญจิตันยูนิยะเป็นยังไงก็เหมือนพวกเรานี่แหละถ้าบรรลุชาตินี้ก่อนนิยะถ้าไม่บรรลุก็ศึกษาต่อไปเป็นปะทะปรมะอันพวกนิยะเรียนมากท่องมากจํามากสอนมากเทศมากจํามากถ้าบรรลุเรียกว่านิยะถ้าไม่ได้บรรลุปะทะปรมะแต่ไม่ต้องกลัวนะชาติหน้าก็บรรลุง่ายกว่าเพื่อนนะชาตินี้ทําเหตุได้ดีแล้ว นี่เขาก็คิดเหมือนกันเออถ้าหากว่าเขาตั้งความปรารถนายังไงวันนี้บรรลุแน่นอนแต่เราไม่มีกิจด้วยการเผากิเลสด้วยเพศที่ใครไม่รู้จักแล้วบรรลุนิพพานไม่มีกิจที่จะต้องข้ามคนเดียวนะถ้าไรเราพึงเป็นเหมือนพระทศพลทีปังกรบรรลุพระอภิสัมธิญานอย่างสูงยิ่งแล้วขึ้นสู่ธรรมนาวา นาวานี่แปลว่าเรือเรือคือพระธรรมเหมือนกันเถิดให้มหาชนข้ามสงสารสาคอนได้แล้วปรินิพพานในภายหลังข้อนี้สมควรแก่เราเห็นนะว่าหนึ่งท่านมีความคิดว่าท่านไม่อยากบรรลุโดยที่ไม่มีคนรู้จักข้อสองท่านก็บอกว่า <c oughs> ถ้าถ้าอะไรเราพึงเป็นเหมือนกับพระพุทธเจ้าองค์นี้แหละ <c oughs> เพื่ออะไร เพื่อที่จะขึ้นสู่ธรรมนาวาเป็นนาวาแห่งธรรมนาวาก็คือเรือคือธรรมะเนี่ยนะที่จะให้มหาชนข้ามคือว่าไม่ไปคนเดียวอะ่ะจะสร้างเรือใหญ่คนจะได้ไปด้วยเสร็จแล้วสังสาระสาครสาครนนี่ก็คือทะเลเพราะฉะนั้นไอ้สาครคือสังสารวัตรนี่ทั้งลึกทั้งกว้างสังสาระเชื่ออะไรเป็นเชื่อของอะไรสงสารนี่เป็นเชื่อของอะไร โอ้ยสงสารเหลือกเกินน้ำตาไหลเลยสงสารเขาอย่างนี้หรึเปล่าใช่ไหมสงสารเป็นชื่อของอะไรสงสารก็คือขันทานันจปะปฏิปตาติธาตุอายตนานันจะนะคือลำดับแห่งขันธาตุอายตนะที่สืบเนื่องอย่างไม่ขาดสายเรียกว่าสงสารก็คือขันธาตุอายตนะเคยเห็นสงสารไหมเคยเห็นไหมใครเคยเห็นสงสารบ้างก็นั่งอยู่นี่แหละสงสารทั้งหมดนั่นแหละ อยอยู่ตรงนี้ไม่ใช่ขันใช่ปะขันธาตุยัตตนะเหล่านี้แหละที่นั่งๆกันอยู่นี่แหละเรียกว่าสังสาระข้ามยากไหมนั่นแหละเรลยกว่ามันเหมือนกับทะเลเลยนะชีวิตของเราที่กําลังเป็นอยู่เนี่ยในทะเลความเป็นไปแห่งชีวิตอย่างนี้ก็เหมือนทะเลแล้วแหละแล้วก็ยังทะเลที่มีห่วมน้ําทับอีกโอคะสีท่วมทับกามโอคะทิทโขฆาวิโชคะภาวะโยคะเนี่ยท่วมทับอีก แล้วยังไม่พอเนะยังมีเครื่องมัดเครื่องผูกร้อยรัดไปอีกสั่งยชดสิบประการก็ผูกมัดรัดตรึงไว้อีกนะข้องอยู่ด้วยเครื่องข้องเอกีกติดอยู่ด้วยเครื่องติดอีกวันนะมันลึกอยู่แล้วด้วยยังมีอที่มาผูกมามัดมารัดมาติดอีกมากมายมหาศาลนั่งอยู่นี่ใครข้ามได้บอกเลยเนะี่สาธุข้ามยังไงมีวิธีข้ามหรือเปล่าเาทํายังไงจะข้ามจากสังสาระอันนี้ออกไปได้ข้ามอย่างไร มัชชีมาปฏิปทานนั่นแหละเป็นธรรมะนาวาที่จะทําให้ข้ามสิ่งเหล่านี้ได้เพราะฉะนั้นเอธรรมนาวาอันนี้เนี่ยผู้ที่จะผู้ที่จะมีบุญเนี่ยนะแนะนําธรรมะนาวาตรัสรู้ธรรมนาวาที่จะช่วยหรือขนสัตว์ให้ข้ามพ้นเนี่ยแต่ไม่มีบุญจริงๆเนี่ยไม่ได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านตั้งความปรารถนาเพื่อเป็นเหมือนกับเรือถ้าพูดถึงการเดินทางบกก็ขอปรารถนาเป็นรถ ถ้าเดินทางน้ำก็ปรารถนาเป็นเป็นเรือถ้าหากว่าจะข้ามฟ้าก็ปรารถนาเป็นแพถ้าจะข้ามคลองก็ปรารถนาเป็นถนนให้คนข้ามไปท่านก็มีความคิดแบบนั้นนะนะของเรานี่ได้ศรัทธาท่านนี่ก็ได้บุญเยอะเลยนะเออเราศรัทธาคนที่คิดแบบนี้เลยเ อ, อ่เราไม่ได้ตั้งความปรารถนาไม่กล้าคิดเองก็ไมเป็นไรแต่คนแบบนี้แหละเป็นอาจารย์เราหมือนน อา้าเราเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าใช่ไหมเราก็ว่าอยางนั้นเออนี่คนที่มีแนวความคิดเข้าบำเพ็ญบารมีแบบนี้นะบรรลุเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าครับพระเจ้าขอเป็นลูกศิษย์ท่าน <c oughs> เป็นอะไรเป็นการถึงไตรสารณคมแบบศิทธสภาวูปคำมณะขอถึงพระพุทธเจ้าเป็นโดยความเราเนี่ยเป็นศิษย์ท่านอย่งนั้น <c oughs> ก็เลยตั้งแนวความคิดว่าเออเราเนี่ยควรปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้า <c oughs> เพื่อที่จะช่วยหรือคนสัตว์ให้พน้นจากทุกข์ อย่างนี้แล้วต่อจากนั้นก็ประมวลธรรมะแปดประการธรรมะแปประการคืออะไรมนุสสตังลิงคสัมปติเหตุสัทธารัตสนังเนี่ยนะก็คื อ, อรายหนึ่งมนุสสตังต้องเป็นมนุษย์สตตองนมนุสสตังลิงคสัมปติลิงคสัมปติลิงก็คือเพศเป็นมนุษย์ถึงพร้อมด้วยเพศชายเป็นต้นนั่นเองซึ่งเราเคยฟังแล้วและก็จะได้กล่าวอีกต่อไป เสร็จแล้วพอประมวลธรรมะแปดอย่างนี้ทั้งหมดก็ทําความปรารถนาอันยิ่งใหญ่เพื่อความเป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็นอนลงไปก่อนที่จะนอนนะเหตุการณ์นี้ยังไม่ได้นอนเลยเก็เล้ว่าคิดก่อนที่จะนอนอ่ละนะคนก่อนนอนเนี่ยแต่ไม่ไน้นอนที่อื่นนะนอนที่เปลือกโตม่ะคนนี้ถ้าไม่ปับใจจริงๆนี่ไม่กล้านอนนะแล้วนอนให้ใหพระพุทธเจ้าเหยียบด้วยนะเมื่อไหร่เราจะได้ให้นอนนะเพราะเหตุนั้นท่านจึงกล่าวว่า เมื่อเรานอนบนแผ่นดินได้มีความคิดอย่างนี้ว่าวันนี้เราเมื่อปราถนาอยู่ก็ผึ่งเผากิเลส ข, ของเราได้ตาบะเป็นเครื่องเผากิเลสเนี่ยนะจะเผาให้มันสิ้นวันนี้ก็ได้จะมีประโยชน์อะไรเล่าแก่เราด้วยการทำให้แจ้งธรรมะในที่นี้ด้วยเพศที่ไม่มีใครรู้จักเราบรลุพระสัพพัญยุตยานจากเป็นพระพุทธเจ้าในโลกพร้อมทั้งเทวโลก พระพุทธเจ้าแปลว่าอะไรนะผู้ตรัสรู้อริยสัจโดยชอบโดยถูกต้องและด้วยตัวเองด้วยนะวันจะเป็นผู้ตรัสรู้ทั้งหมดในโลกพร้อมทั้งเทวโลกจะมีประโยชน์อะไรแก่เราด้วยลูกผู้ชายอันนี้ไม่ใช่มานะนะแต่พูดถึงว่าความมีกำลังนะนะโอ้ยมีกำลังระดับเราแหมจะโดดข้ามแต่คนเดียวเนี่ยทำไมวันนั้นพาคนอื่นไปด้วยคิดดูนะว่าพระพุทธเจ้าจะพาเราข้ามนะได้หรือเปล่า พระองค์นี้ข้ามเรียบร้อยแล้วนะพระองค์นี้ทรงวางคําสอนไว้ให้นะดูทีว่าพระองค์นี้จะช่วยเราข้ามเสร็จหรือเปล่ามั้ยเนานะแต่ว่าช่วยคนอื่นนี่ข้ามเสร็จไปเยอะแล้วนะยังเหรอพวกเรา <c oughs> เพราะฉะนั้นอ่ะบอจะมีประโยชน์อะไรแก่เราด้วยลูกผู้ชายผู้มีรูปร่างแข็งแรงนี้จะข้ามฝั่งไปคนเดียวเราบรรลุพระสัพพัญญุตยานแล้วจกให้มนุษย์พร้อมทั้งเทวดาข้ามฝั่งด้วยการกระทําอันยิ่งใหญ่ของเรานี้ การการะทําอันยิ่งใหญ่คืออะไรคือถึงกับสละชีวิตให้คนเป็นแสนเหยียบอ่ะนั่นแหละชื่อว่าเป็นการการะทาที่ยิ่งใหญ่เนี่ยงั้นเคยได้สละชีวิตไปแล้วอ่ะท่านจะเหยียบให้ตายก็ไม่เป็นได้หรอกแต่ว่าสละไปแล้วเพราะฉะนั้นผลแห่งการสละอันนี้เนี่ยเพื่อเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยรูปผู้ชายที่มีรูปร่างแข็งแรงนี้